สักสามสกว่าปีที่แล้วก่อนที่หลวงพ่อชาท่านจะอาภิษฐ์หนักท่านได้ไปประเทศอังกฤษตอนนั้นอาจารย์สัยโทร็ได้ไปปักหลักที่อังกฤษได้ประมาณสักสองปีแล้วท่านก็ ได้รับนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมในประเทศอังกฤษตอนนั้นนี่ยังไม่มีวัดอมรวดีหรือว่าวัดที่เป็นสาขาของน้องประพงวัดสำหรับพระนานาชาติก็อยู่ในกลางกรุงร่อนดอน ตอนนั้นคงจะมีวัดไทยแล้วแหะนะแต่ว่าวัดไทยก็ส่วนใหญ่ก็มีแต่คนไทยมามาทำพิธีกรรมแต่ถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยเขาก็จะไปอีกวัดหนึ่งนะมันไม่เชิงเป็นวัดเป็นวิหารไม่มีพระประจำก็วิหารแฮมสเตด ก็มีเย็นวันหนึ่งหลวงพ่อท่านก็สแสดงธรรมแล้วก็นั่งสมาธิระหว่างที่นั่งสมาธิพรากฏ ม, มีเสียงดังจากผักที่อยู่ตรงข้ามก็เสียงดนตรีมัง่งเสียงร้องเพลงมันงก็ดังเข้ามาตลอดสี่สิบนาทีที่ นั่งสมาธิอาจารย์สมัยโทรท่านก็ล่าว่าท่านก็ลำคาญเสียงนั้นมากเสียงล้องเพลงนี่ถ้ามันเพราะก็ว่าไปอย่างเสียงมันก็ไม่เพราะท่านก็นั่งสมาธิก็ก็คงยันหน้านี้คืขอขโมยไปด้วยแต่หลวงพ่าชาท่านนั่งสงบ ส่วนญาติโยมก็คือนะักคงอยากระย์กระส่ะสายพอนั่งครบนะก็มีโยมคนหนึ่งคงเป็นฝรั่งกนะก็มาขอโทษหลวงพว่อช้าที่มันมีเสียงดนตรีมานรบกวนท่านคงจะกเกรงใจนะอุาสานิมนต์มาแล้วก็มาสถานที่ที่ต้อนรับ ก, ก็ ไม่ได้ดีอย่างที่คิดแล้วผู้วิาชาท่านก็ต่อบว่าเนี่ยโยนไปคิดว่าเสียงดนตรีรบกวนเราแต่ที่จริงเรารบกวนเสียงมากกว่าฝรั่งก็นิ่งไปเลยนะส่วนใหญ่ก็จะไม่เข้าใจก็ได้ว่าหลวงพ่อท่านหมายถึงอะไร คนส่วนใหญ่มาคิดว่าเสียงดนตรีรบกวนเราทําให้จิตกระสรับกระส่ายหุดหงิดที่จริงจิตของเรารบกวนเสียงดนตรีต่างหากที่จริงก็ไม่ใช่ไม่ใชพาะเสียงดนตรีได้เสียงอะไรก็ตามมันหมายความว่าอย่างไงก็มาว่าจิตเนี่ยพอได้ยินก็ จิตเราก็ต่อต้านผักสายเสียงนั้นมีโทสะความไม่พอใจกับเสียงนั้นอยากจะเข้าไปจัดการกับเสียงนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทุกข์ใจเนี่ยไม่ใช่ว่าเสียงมารบ ก, กวนเราแต่เป็นเพราะใจเรา ไ, ไปรบ ก, กวนกับเสียงนั้นไปต่อต้านผักสายพันตู หรือพูดง่าคือไปมีโทรศัพท์กับเสียงนั้นเสียงมันไม่ทำอะไรเราถ้าเกิดว่าใจเราไม่ไปต่อต้านผักใสมันลองสังเกตดูนะเสียงดังเสียงแล้วก็ตามไม่เฉพาะเสียงดนตรีเสียงโทรศัพท์มือถือเสียงฟ้าร้องยามคืนนี่ก็ เสียงฝนตกฝนก็สายฝนก็กระทบกับหลังคาสังกษีก็เสียงดังบางคนก็จะนอนด้วยความรูม้สึกหงุดหงิดแั้กระสร้กระสายที่จริงเสียงคลฝนนก็แค่กระทบกับหลังคาสังกสีนะแต่ว่า ไม่ระวังใจให้ดีเสียงมันมากระทบกับน้ำฝนมันก็กระทบกับใจเราด้วยหรือว่าผู้อย่งคือว่าใจมันไปรู้สึกลบไปรู้สึกต่อต้านหรือวไปพันตัวนะไปรวมรันรวมรันพันตัวกับเสียงนั้น น, นี่คือความหมายว่าเนี่ยเราติดเราไปรบกวนเสียงหรือไปหาเรื่องกับเสียงนั้นมันไม่ใช่เฉพาะเสียงเดียวนะสิ่งที่เห็นรูปที่เห็นทางตาหรือว่ากลิ่นที่ได้ยินทางจมูกก็เหมือนกันกลิ่นน้ำมันกลิ่นสี หลายคนพอพอเกิดภษัษหรือนี้ขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ใจนะที่จริงกลิ่นสีมันไม่ทำให้ทุกข์ น, นะก็ดูอย่างช่างนะช่างช่างสีเนี่ยช่างทาสีหรือว่าเด็กปั้มเนี่ยปิ่ น, น้ำมัน เขาก็เจอกลิ่นที่หนักที่แรงกว่าเราคือเจอทั้งวันแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรเลยแปลว่าอะไรแปลว่าสีกลิ่นมันไม่ทำให้ทุกข์นะไม่ทำให้ทุกข์ใจไอ้ที่ทุกข์ใจก็เพราะใจไปต่อต้าน ไปผักใส่ไปมีโทรศัพทวกับกลิ่นเหล่านั้นเรียกว่าไปรบ ก, กวนกลิ่นก็ได้นะนะกลิ่นมันไม่รบ ก, กวนเราเราไปรบ ก, กวนกลิ่นพวกเด็กปั้มพวกช่างสีนี่เขาใจเขาไม่ไปผักใส่รวมรำนพันตัวกับกลิ่นเหล่านั้นคงพ่อคุณละชินละดูะเห็นเป็นธรรมดาแล้ว แต่พวกเราซึ่งเป็นคนใหม่นะมือทางไม่คุ้นก็ใจมันเข้าไปต่อสู้ผักใสนะแต่แล้วเราก็ทุกเองอันนี้ก็รวมไปถึง ความคิดฟุ้งซ่านต า, ตายแล้วนะความคิดฟุ้งซ่านตายมันไม่ได้รบกวนเราบองคุนบอกนั่งสมาธิไม่ไหวนะความคิดฟุ้งซ่านมานรบกวนเหลือเกินก็เหมือนกันมันไม่ได้รบกวนเราเราต่างหากไปรบกวนมันก็คือเราพยายามไปกดข่มมันพยายามไปไปบี้มันความคิดฟุ้งซ่านคิดอะไรไป บ, บี้มันไปกดข่มมันพยายามผลักไสมัน มันก็เลยเกิดความทุกข์ความเครียดความหงุขึ้นมาแต่และใจเราก็ไม่สงบเองเรื่องความทุกข์ใจความไม่สงบใจมันไม่ได้เกิดจากสิ่งแวดล้อมไม่ได้เกิดจากรูปไม่ได้เกิดจากรสไม่ได้เกิดจากเสียงจากปลิ่นมากเท่ากับ ใจที่วางไม่เป็นวางใจไม่เป็นนั่นที่หลวงพ่อท่านสอนให้รู้ซื่อเนี่อมนนันมันสำคัญมากเลยมันเป็นทั้งเทคนิคในการดูจิต สร้างความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็เป็นวิธีการ ท, ทำให้ใจสงบได้สงบได้ไม่ใช่เพราะไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นคนส่วนใหญ่ก็ลูกจากแต่ความสงบชนิดนี้คือสงบเมื่อไม่มีอะไรมากระทบไม่มีเสียงมากระทบไม่มีกลิ่นมากระทบไม่มีรูปมากระทบที่ ไม่น่าพอใจจะสงบได้ก็ต้องไม่มีเสียงเหล่านี้แล้วบางคนยิ่งปฏิบัติมากเข้าเนี่ยก็ยิ่งก็ยิ่งมีอาการแพ้หรือว่ารู้สึกลบต่อเสียงบางทีเสียงแค่คนพูดคุยกันเนี่ยก็ หงิแล้วรบกวนการทำสมาธิอันนี้เพราะว่าไปติดในความสงบหรือว่าพยายามไปหลีกลบลี่หนีเสียงพอลบลี่หนีเสียงไปก็จะเริ่มมู้สืกอว่า แม้แต่เสียงเล็กน้อยนี่มันก็ทำลายความสงบได้นี่จริมันก็ทำลายความสงบนะั้นในส่วนภายนอกนะแต่ว่ามันไม่สามารถจะทำลายความสงบในใจเราได้ถ้าใจเราไม่ไปต่อต้านเสียงนั้นหรือว่าผู้อย่างว่าช้าก็ไม่ไปรบกวนเสียงนั้น อันนี้ก็จริงๆมันก็รวมไปถึงเสียงบ่นเสียงว่าเสียงตำหนินินทาด้วยนะไอ้เสียงพวกนี้บางทีมันก็เบาแต่ว่าพอได้ยินเข้าก็จิตใจก็สั่นสะเทือนรุ่มร้อนนะก็เหมือนกันนะเพราะว่า ใจเราเป็นรบกวนเสียงนั้นแล้วก็เป็นรบกวนเจ้าของเสียงด้วยนะมีความโกรธความเกลียดความไม่พอใจเจ้าของเสียงนั้นหรือผู้ที่เอ่ยคําดินทาต่อว่าด่าทอเราเสียงดนตรีเสียงโทรศัพท์ นะเสียงรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าเสียงตํมหนิต่อว่าดาทอมันก็ไม่สามารถจะทำความทำลายความสงบในใจได้ถากว่าเรารู้จักนะนะรู้สื่อนะรับรู้เฉยๆนะสักแต่ว่าได้ยินนะสักแต่ว่าได้ยิน หรือถ้าเกิดว่ายังทำไม่ได้เพราะว่าใจมันก็เพื่มเสร็จแล้วใจมันหงุดเสร็จแล้วมีความโกรธแล้วมีความไม่พอใจแล้วนะก็ดูมันไม่ต้องไปทำอะไรกับไอ้ความไอม้กับอารมณ์เหล่านั้นนะเดี๋ยผู้ใหญ่คือว่าแค่เห็ น, นเฉยเฉยนไม่เขาไปเป็น ไอการดูเฉยๆนี่มันน่าจะง่ายกว่าการที่ไปทําอะไรต่ออะไรมากมายกับเสียงที่มารบกวนนะไอการที่จะเข้าไปทําอะไรกับเสียงนั้นเนี่ยมันดูไปทําอะไรกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นนี่มันมันน่าจะเหนื่อยกว่านะอยูดูดูเฉยๆว่ารู้สื่อ่มันมันไม่เหนื่อยเลย มันไม่ต้องทำอะไรเพื่อดูเฉยๆอยู่บนที่ตั้งแต่ว่าคนกับพวกเรามันทำยากมันก็พูดก่าการทำอะไรตอะไรนี่มันเป็นเรื่องที่ทมันการทำอะไรต่อะไรนี่เป็นเรื่องง่ายกว่าการอยู่นิ่งๆที่อยางการอยู่นิ่งๆน่าจะง่ายกว่ามันเหมือนกับเรานั่งนิ่งๆดูกระแสน้ำที่ไหล ดูก็ะแสน้ำไหลผ่านมันน้ำมันจะขุ่นน้ำมันจะใสก็ไม่ต้องทำอะไรแค่ดูเฉยเฉยนีอะไรจะไหลผ่านหน้ามีเรือสํารานผ่านหน้ามีผักตบผ่านหน้ามีม้าเน่าลอยน้ำผ่านหน้าก็แค่ ดูเฉยๆมันจะเหนื่อยอะไรมันจะยากอะไรมันก็ไม่น่าเหนื่อยแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะพอเห็นเรือสํำรานผ่านหน้าก็โจลงไปเนี่ยพยายามที่จะขึ้นเรือให้ได้หรือพยายามที่จะดึงเรือนั้นให้ให้อยู่กับที่ไขว้คว้ามันให้ได้ หรือถ้าเกิดมีมาเน่ารอยน้ำมาก็พยายามที่จะเอาอะไรไปใหญ่แย่ให้มันออกไปกไกลผักผลักมันออกไปกไกลดันมันออกไปกไกลให้แบบนี้เหนื่อยกว่าแต่คนส่วนใหญ่นี่กับทำในสิ่งที่สร้างความทุกข์กับตัวเองเก็คือโ ด, ดลงไป อะไรที่มันเป็นของสวยของงามก็อยากจะยึดเอาไว้ไขว่เอาไว้แต่ยึดถแถลงยึดไม่ได้เพราะว่ามันมันก็ไหลไปเรื่อยๆตามกระแสน้ำส่วนม า, นาหน้าลอยน้ำก็พยายามไปไปผักไปดันมันทั้งที่ไม่ต้องทำอะไรมันก็ลอยเศษสะพอมก็ลอยรับหายไปจากการรับรู้ของเราอยู่แล้ว ก็เพียงแต่ดูมันเฉยเฉยดูมันง่ายกว่าเยอะแต่คนเรามักจะชอบทำสิ่งที่ยากไอ้สิ่ ง, งง่ายๆกับทำไม่เป็ น, นสิ่งที่ยากคือโดดเข้าไปพยายามไปยึดด้วยความอยากได้หรือว่าผลักใสด้วยความอยากจะหนีห่างแล้นั่นแหละคือที่มาของความทุกข์ในใจของผู้คน คนเราเนี่ยจริงถ้าถูกฝึกมาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เล็กน้อยนะว่าให้ดูมันเฉยเฉยนี่มันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายแต่ว่าเรามืนก็ถูกฝึกมาหรือว่าถูกหล่อล้อมมาให้พยายามผลักไสสิ่งที่ไม่น่าพอใจแล้วก็พยายามไปคขว่คว้ายึดครองสิ่งที่น่าพอใจ เรียกว่ามีรียกับทุกอย่างตลอดเวลามีปฏิกิริยากับทุกอย่างตลอดเวลาอยู่เฉยไม่เป็นเฉยในที่นี้ไม่ได้นั่งเฉยๆนั้นนั่นแต่ว่าใจด้วยนะใจมันไปไม่ไม่ฟู ก, ก็แฟบไม่ยินดีก็ยินไล่ไม่ไขว่คว้าก็ผักใส ผักสายไม่ได้ก็ทุกข์ไขว่ ค, คว้ามไม่ได้ก็ทุกข์นี่คือความทุกข์ของผู้คนมันก็มาจากตรงนี้แหละแต่จริงนี่ไม่ใช่จุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นมันมากกว่า น, นั้นนะจุดเริ่มต้นก็คือความความหลงว่ามีตัวเราของเรา ไอตัวเนี่ยที่มันเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้เพราะว่าพอมีพอไปปรุงตัวนี้ขึ้นมานี่มันก็อยากจะยึิครองเป็นของเราอะไรที่ดีน่าพอใจก็อยากยึดครองเป็นของเราเจออารมณ์ไม่ดีมากระทบกร็รู้สึกว่ากูกูป่วดกูเจ็บนะหรือว่ามารบกวนกนะูเสียงมารบกวนกู ถ้าทำไมไม่มีถ้ า, ม ไ, มมถามไม่มีกูัมันก็มีความวารู้สึกว่าเสียงมันรบกวนกลัวมันก็สักตะวันได้ยินคือมันก็ว่าถ้าหากว่ามีกระจกอยู่นะมันก็มีฝุ่นมาเกาะหินก้อนหินมาตกลงมาก็กระตกก็แตกร้าวแต่ถ้าไม่มี ไม่มีกระจกนะฝุ่นมันจะกอกกับอะไรนะหินมันตกมาก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ท่านวย่ลางพยายามได้พยายามสื่อนะจากสโลของท่านซึ่งท้ออย่างนี้ว่าเนี่ยถ้าไม่มีไม่มีตัวกูมันก็มันก็ไม่มีทุกมันก็ไม่มี ความจําเป็นที่จะต้องกําจัดกิเลสออกไปหรือว่ากําจัดทุกข์ออกไปเพราะว่าทุกข์มันไม่มีที่ตั้งเมืองกระฝุ่นไม่มีที่เกาะมันจะเกไไาะกับอะไรฉึงบอกว่าเนี่ยไอ้ความยึดมั่น ม, มีตัวกลัมันคือจุดเริ่มต้นของความทุกข์มันเป็นร่างเงาของความทุกข์แต่ว่าในขาะที่เรายังไม่สามารถจะมองเห็นไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยอย่างน้อยก็ให้ ให้มีสติรู้ทันเวลาใจมันกระเพื่อมเสียงมากระทบหูเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเออก็รู้ทันในความไม่พอใจนั้นหรือว่ารู้ว่าจิตมันกาลังมีอาการต่อต้านผักใสเสียงนั้นซึ่งก็เรียกว่าโทส ะ, ะก็รู้นะเมื่อรู้เนี่ยว่าจิตมีอาการแบบนั้นจิตมันก็สงบ การที่จะรู้รับรู้เสียงนั้นกริสัแต่ว่ารู้เนี่ยมันก็เป็นไปได้ง่ายขึ้นคำว่ารู้เฉยๆนี่มันก็มีรู้สองระดับนะก็คือรู้อารมณ์ความคิดที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่พักใสยมันแล้วก็รวมไปถึงรู้ว่าจิตนี่มันมีความรู้สึกรบต่อ รู้วกินเสียงที่มากระทบไอ้ตรงนี้ยากหน่อยรู้ว่าโกรธหลายคนก็พอจะพอจะรู้ทันได้ได้ไวขึ้นแต่ที่จะรู้ว่าจิตเนี่ยมันมีความรู้สึกลบต่อความโกรธเนี่ยอันนี้ยากมันซ่อนอยู่ข้างหลังรู้ว่าโกรธแต่ไม่ค่อยรู้ทันว่าจิตเนี่ยมันรู้สึกลบต่อความโกรธ จิตมันอยากจะพักสายกดข่มความโกรธเนี่ยนี่ไม่ค่อยรู้ทันหลายคนก็มักจะบอกว่าทไมรู้ว่าโกรธแต่มันไม่ไม่หายโกรธสักทีก็เพราะว่ามันมี ม, มีตัวอีกตัวหนึ่งซ่อนซ่อนเข้ามาคือความรู้สึกลบต่อความโกรธไอนนความตัวนี้มันทำให้รู้เฉยเฉยหรือว่ารู้ซื่อไม่ได้มันก็พยายามกดข่มความโกรธแต่ไม่รู้ตัวยิ่งกดมันก็ยิ่งสู้ ก็ต้องรู้เฉยๆก็องรู้ซื่ อ, อต้องรู้จริงๆก็ใช้เฉยจริงเป็นกลางจริงๆ อ, นน อ, งอันนี้เรียกว่าอันนี้เรียกกลุ่มเรียกทั้งหมดว่าอยู่ในฝ่ายเรื่ารู้อารมณ์ในความรู้สึกนึกคิดเราเรียกว่าธรรมารมรู้สึกเป็นกลางต่อธรรมารมที่เกิดขึ้นในใจอีกอันนึงคือรู้ รูปรถกินเสียงภัษาะนะที่มากระทบนะเราก็รู้เฉยๆไม่ต่อต้านผักสายมันอันนี้ก็ต้องอาศัยการรู้ทันอารมณ์รู้ทันเวลามันเป็นลบต่อธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อสามารถจะวางใจเป็นกลางต่อธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจได้เนี่ยมันก็ความสุกเป็นกลางต่อเสียงที่มากระทบเปลี่ยนที่ได้ยินกิ่นที่ได้รับรู้หรือว่ารูปที่ได้ยินได้เห็นก็ก็เป็นไปได้ทำได้ง่ายขึ้นอันนี้แหละที่จะทำให้เกิดความสงบใจจริงแท้จริง ทำให้ใจไม่ทุกข์แล้วก็ความสุขก็จะเกิดขึ้นได้นะที่ว่าความสุขมันเกิดได้ทุกคนแทนก็ตรงนี้แหละนะก็คือว่าไม่ว่ามันจะมีอะไรมากระทบรูปว ก, กินเสียงสัมผัสนะมันก็ไม่ไม่ทำให้จิตใจว้าวุ่นกระสับกระส่าย อันนี้เรียกว่าใจเรานี่ไม่เป็นรบกวดผัสสะที่ที่เกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของรูปราเกินเสียงไปไม่ใช่เรื่องของเรามันไม่มีตัวเราหรือตัวกูเข้าไปเกี่ยวข้อง มันเกิดขึ้นที่กายเช่นความเจ็บความปวดก็เออ ก, ก็ก็เป็นเรื่องของกายไปนะแต่ว่าจิตไม่ได้ทุกด้วยเพราะมันไม่รู้สึกว่ามีตัวกูเป็นผู้เจ็บนัน้นก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสภาวะที่สงบเป็นสงบภายใน แล้วว่าข้างนอกนี่มันจะรอบตัวจะวุ่นวายแค่ไหนเสียงดังก็หืมเพียงใดอันนี้ก็หาที่นักปฏิบัติธรรมควรจะทำให้ได้ไม่ใช่ว่ามีเสียงดังนิดหน่อ ย, น, น, อยนิดหน่อยก็จิตใจก็วาววุ่นแล้วหรือพอเวลานั่งนั่งสมาธินี่จะหลายคนจะไม่ยอมเลยนะให้มีเสียงดัง แววคมหมักกระทบผูใครพูดอยู่นอกห้องไปพูดอยู่ ใ, ใกล้ก็ไม่ได้ก็กลายเป็นคนที่อ่อนแอนะสมาธิจะต้องพึ่งพาเสี่งวันล้อมมาบางอันนี้อาจจะแย่กว่าคนที่ไม่ปฏิบัติเสี่งนะคนที่ไม่ปฏิบัติชาวบ้านทั่วไปนี่เสียงดังนี่ก็ยังมีสมาธิได้นะ มีเพื่อนเราว่าช่วงนี้เนี่ยที่เยอรมันอากาศร้อนมากนะแล้วก็ตามบ้านเรือนเขก็ไม่มีไม่มีเครื่องไม่มีแอร์นะเครื่องทําความเย็นไม่มีแม้กระทั่งพัดลมนะไ ป, ไปเข้าไปเขาที่แล้วนี่หาพัดลมยากเหลือเกยเวลาหน้าร้อนนี่ก็ต้องทนร้อนนะเขาไม่มีเครื่องปรับอากาศนะ แล้วก็ไม่มีพัดลมพัดลมนี่หายยากหาซื้อตามห้างอีหาไม่ได้เพราะว่าปลูกติดในยุโรปนี่มันก็ร้อนอย่สักเดือนหนึ่งมั้งเราก็เลยไม่ติดแอไม่ซื้อพัดลมถ้าอยากจะหลบร้อนก็ต้องเข้าปลุกร้านอาหารเช่นสตาร์บัคเพื่อ น, นี่ก็เป็นอาจารย์ไปทําวิจัยทนร้อนไม่ไหวก็ไปเข้าสตา b u c ั s มันก็เย็นดีนะอยู่ได้ทั้งวันไม่มีการไล่แต่พอเข้าไปในสตาร์อูคเสียงดังเสียงดนตรีแต่เขาก็สังเกตนะเห็นเด็กวัยรุ่นนักศึกษาแล้วก็ทํางานกันได้อ่านหนังสือได้ทั้งที่เสียงดังเขาก็ต้องเลือกระหว่างระหว่างร้อนแตงเงียบไม่มีเสียง อัน น, นอันหนึ่งกับเย็นสบายแต่เสียงดังจะเอาอะไรสุดท้ายก็เลือกอย่างหลังก็คือว่าไปอยู่ไปครูอยู่ในสตา buck คเสียงดังก็ดังไปก็ทํางานแม่ๆก็ทำยากนะแต่ก็อดทึ่งเด็กไม่ได้นะเด็กวัยรุ่นเมันเสียงดังแค่ไหนไม่มีสมาธิทำงานอันนี้มาดูเออ นักปฏิบัติเนี่ยที่ผ่านการทำสมาธินานๆนี่ทำไม่ได้นะยิ่งปฏิบัติมากยิ่งรู้สึกแพ้แล้วก็อ่อนไหวนะต่อเสียงกลายเป็นอ่อนแอไปเลยเจอเสียงแบบนี้เขาก็สับปะสายทำอะไรไม่ได้แต่เด็กนี่มันไม่ได้ฝึกสมาธิอะไรมาเลยนะแต่ว่าเสียงดังแค่ไหนใจมัน ย, ยังแน่แน่อยู่กับ งานที่ตัวเองทาหนังสือที่อ่านอันนี้บอกว่าเนี่ย ป, ปฏิบัติทําไปนานๆ น, า น, นี่บางทีจิตใจกับอ่อนแอยิ่งกว่าคนที่เขาไม่ปฏิบัติสิคนที่ไม่ปฏิบัติก็ยังพิกกว่าความสงบได้ทำความเสียงมวุ่นวายเนยีแต่ว่าคนปฏิบัตินี่เนี่ยว่าแต่เสื่อมวุ่นวายเลยนะว่าเสียงดังก็ถือเลยเสียงเบาๆานี่ก็จิตใจก็แย่แล้วเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นท่าแล้ว น, นี่มันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะน่าสังเกตแต่ว่านอกปฏิบัติถำนนมากก็ไม่เคยสังเกตเรื่องแบบนี้เลยนะก็เลยปฏิบัตินะไปไปมาว่าผิดทางมากขึ้นเรื่อยเื่ยิ่งปฏิบัติยิ่งอ่อนแอแทนที่จะยิ่งปฏิบัติยิ่งเข้มแข็งยิ่งเป็นอิสระกับสิ่งว่าร้อมไม่มากขึ้นนี้กลับยิ่ง เพิ่งพาเป็นท่าสิงห์ว่าร้อนหนักเข้าไปใหญ่อันนี้เพราะการที่ฝึกเพื่อพอติดสงบนั่นเองอ่าเช้านี้เพื่นเท่า น, นี้กลับครับ